อูบายวิธีแกของไม่คิดขึ้นไม่ได้นี่ผมเป็นกังวลวิตกกังวลข่มุู่่นเพืว ค, ความคิดของอ่านอะไรต่ออะไรนั่นอึดอาดภายในจิตใจมันเกาะ อ, อย่างนั้น่ะถ้าสิ่งที่มันชอบมันเร็วมองไม่ถัดสติสตาม์นี่ไม่มีเพราะไม่คิดไม่ตั้งอันนี้เราจะหวังเอามาผลพานที่ไหน ผมมองดูภาพมันก็เห็นแล้วช่องโหว่ถ้าเป็นน้ํามวยแล้วตายตายมองเห็นปักพอพูดออกมามียางซองเลยเตียงนองเปิดเปิดเปิดให้เห็นนี่แล้วะความบกพร่องแสดงว่านี็เขาฝึกปัญญาทั้งนั้นอีอ้เขาอยู่ขนาดนี้มันยังเป็นด้วยว่างก็เขาอยู่ด้วยนําทังด้วยแล้วมันจะเป็นยังไงอีกมันก็บอกอยู่ทัดๆในปัจจุบันที่เห็นเป็นอย่างนี้ดูเป็นอย่างนี้นี่คือพื้จบข้าหมือเขา กินเราจังนี่พู้ที่พูดด้วยความมั่นใจพูดด้วยความแน่ใจมั่นใจพูดด้วยความจริงใจต่อหนูคณะทุทุกรูป ท, ท, ท, ที่มานี้การรับพระเนรไม่เรารับเดื่อเหตุผลเมื่อรับไปแล้วเหตุผลเป็นยังไงก็จะต้องดําเนินตามหลักเหตุผลนั้นไม่ลดละ เรากินออาจานทุกสิ่งทุกอย่างทั้งการรวมแนะนําสอนดูดาว่ากราบเป็นโรคความกินด้วยทำทั้งนั้นไม่มีโรคเข้ามาแฝงเราเชื่อในหัวใจนี้แม้จะมีกิเลสกองเท่าภูเขาก็เถอะมันไม่แสดงแล้วก็ทราบว่ามันไม่แสดงตอนที่มันแสดงแล้วก็ทราบแสดงมากน้อยแล้วก็ทราบมันไม่มันไม่แสดงก็ทราบนี้คือว่าเชื่อในมุขวิปมาสที่แปด ก็เห็นความสําคัญของตนและเจตนาที่มาเพื่อครูบาอาจารย์เพื่อครูบาอาจารย์คือเพือ่ออะไรก็เพื่อการรับการอบรมแล้วถึงมาการกลัวไม่มีเหตุมีผลเราก็ดูไม่ได้เราเคยกลัวมาแล้วกล้าไม่มีเหตุมีผลกล็ดูไม่ได้กันเพราะไม่ใช่ธรรมกลัวให้มีเหตุมีผลกล้าให้มีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างให้มีหลักธรรมที่พร้อมไม่มเหตุผลแล้ว นันออกแสดงดู่กับจิตมั้งถึงถูกต้องพยายามปฏิบัติตเอิดลดละความภาคเพียงสติเป็นของสําคัญเคยพูดเสมอย้ำแล้วย้าเล่ามันก็บอกว่าอย่างถึงใจผู้ปฏิบัติต้องถึงใจถ้ามันดไม่ได้ปฏิบัติแต่ว่าเรียนนี่ก็อย่างว่าเราเคยเรียนมาแล้วสอบมันเป็นมหาเรียนอยู่แล้วมันก็ไม่ถึงใจนะ ตอ น, นไม่ถึงใจไม่ถึงเพราะว่าถึงเรื่อเจ้าที่เราเยียนไปเป็นพุทธกุศลบาลีในคาถามบาลีหลงพุทธกุมันก็ไม่ถึงใจสติสม บ, บัติปัจจิยาสติจตจำต้องปราถนาที่ทั้งปวงเป็นว่างั้นผู้ปฏิบัติตัวแก้ที่เรศแรก้อย่างนีม้มันไม่ถึงใจ ปฏิสังขปะเตียอย่าเถอสักหนถ้ามันอยากตายวางเงินขึ้นเวทีเอาสิแล้วต้องเทียบมันขึ้นเวทีเถอไม่ได้ตายถูกนอกนิจิเรมันใชเล่นเมื่อไหร่มันนอกสัตว์โลกมุขคิหายไปปวงตายกองกันอยู่ในโลกกระถายนี้มันไปตายเหนือโลกนี่ไปไหนนั้นไม่มีตายกองกันอยู่ในนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ถูกนอกของจิเล่เราไม่เห็นโท ของมันเราจะเห็นคุณค่าให้ทำได้อย่างไรดังนั้นการปฏิบัตินี้เพื่อให้เห็นทั้งสองอย่างนี้่ทามีทำขึ้นมามันก็มีคู่แข่งถ้ามีแต่กิเลสต้นล้วนอะไรก็ดีไปหมดเพราะเราไปเห็นของดีมาตั้งแต่ดั้งเดิมของดีคือธรรมเกิดก็เกิดกับกิเลสมาก็มากับกิเลสมาเกิดถ้ากิเไม่มีมาเกิดไม่ได้ปฏิสิณที่วิญญาณปฏิสิณทวิญญาณคือความเขามาเกิดท่นะมันเกิดได้ยังไงวมันนี่ไมีสิ่ง ตับดันให้มาเกิดนัดเชื่อแล้วเนี่ยเชื่อทาาางภภพำปฏิบัติเราอย่าเชื่อแบบงูปลาให้ค้นการคิปรดปฏิบัติขึ้นมาให้เห็นความจริงนล้เชื่อสามโลกธาตุจะมาคัดค้านเขาไม่สนใจเพราะไม่มีอะไรจริงยิ่งกว่าทำว่าเงี้นยนอมจริงมันจังอย่างนั้นเลยตีสติบอกอยู่แล้วอยู่กับตัว เวลาจะใช้อะไรมันก็ง่ายพยายามจะถือเป็นภาระอันหนักนเพื่อเหตเพืนผลยกหมาจะต่อยเพราะก้นหนักบัวเราก็ต่อยมาสลบทลื่นตายมันนั้นมันหนักหรือไม่หนั ก, นกถึงขนาดถึงสลบทลื่ตายที่หน้าหน้าที่เหล็กมันต่อยตัดโลก น, นี้เราอดค้นทํามะของพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยการปฏิบัติของเรา ก็ควรทําให้ถึงใจอย่างนั้นไม่มีอันใดนะในโลกนี้จะเป็นความแน่นอนเป็นความตายใจพอจะตรงจิตตรงใจให้รับความสุขความสบายได้อยู่ใครอยู่โลกไหนก็อยู่ทั้ว่าโลกสามโลกกระถางนี้ต้องมีส่วนแห่งความทุกข์อยู่ด้วยกันทั้งนั้นเป็นแต่เพียงว่ามากน้อยต่างกันตามภูมิตามขั้นของจิตของภูมิหนึ่งที่เกิดในที่ตา่างๆเพราะอำนาจของจิตภูมิของจิตนี่เหมือนกันพรให้เปตด แม้เท้ามาครับชมนั่งก่อต้องมีทุกเพราะกิเลสมันไม่เคยให้ความสุขแก่ผู้หนึ่งผู้ใดทั้งนั้นไ ม, ไม่เอียงกิเลส ก, ก็ไม่เอียงเหมอสิ่งที่ท้าให้ทุกข์ก็คือกิเลสการแก้ก่เลสมันจะทุกขยากลําบากขนาดไหนเราก็ทราบดีแล้วถอยไปทําใหม่ที่ตรงใจมีธรรมอย่างเดียวที่ตรงงหน้าเป็นของแน่นอน เอาให้เห็นโค้นลงสติปัฏฐานสี่มีอยู่ในร่างกายตรงนี้กายเนี่ยก็บอกร่างกายทั้งร่างนี้หมดกองรูปคือกายหนังหอกกระดูกอยู่นี่นี่เรียกว่ารูปประแขงก็เรียกว่ากายเวทนาความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากร่างกายและจิตใจเวทนานอกเวทนาในา การปฏิบัติให้ถือว่า น, นี้เป็นวิคานาระวิทยานั้นวิทานารุ่นนู้นไกลเอาำนี้ผิดนอกผิดในทำเหมือนกันแตอยู่ที่นี่จัตเจตทำกับอัเตอรสติปธานสีแยกเป็นอาการทานั้นแหละความจริง น, นเหมือนกันหมดพิา จ, ะะ จ, จารณาในจัตเจตหรืออริหรือสติปัฏฐานมันก็อันเดียวกัน เขาขันอันเดียวกันนี้เกี่ยวกับกิจอันเดียวกันนี้เกี่ยวกับเรื่องของกิเลสของมรรคอันเดียวกันนี้จะต้องสู้ันที่ตรงนี้เป็นสนามโลกต้องให้ดีให้ยินให้จําำเห็นความรู้ความสะอาดใม่เห็นความแปลกประหลาดทางในกิตก็เกิดขึ้นผู้ตั้งใจที่ปฏิบัติตามหลักข้พระสุชาติที่ทรงสอนไว้และครูบาอาจารย์วาาิธีเข้าใจในแนวทางปฏิบัตินั้นอบรมสั่งสอนก็ยุ่งเป็นการ แน่นอนประเดิมักไม่สงสัยแต่ผู้ฟังเป็นที่แน่ใจแน่ใจเพราะท่านปฏิบัติไปแล้วด้วยผลได่รู้ไปแล้วอย่างไรด้วยการสอนจะผุดไปที่ไหนผู้ปฏิบัูดมาอบรมก็เป็นที่แน่ใจนอนจาจตายจะได้จะเป็นเม็ดเต็มหน่วยในะการที่ปฏิบัติลังเลสงสัยเป็นยังไงมรรคผลผ่านอยู่ที่ไหนอสิน้นสิ้นเคล็ดสิ้นสมัยแล้วยังหมเคล็ดหม ด, ด, หมดสมัยแล้วยังไม่ต้องไปคิดเสีเยวเวลา ถ้าลงสัจธรรมทั้งสี่มีอยู่นี้แล้วสติปัฏฐานสี่ ม, มีอยู่กับคนที่ยังเป็นๆอยู่เช่นเรานี่แล้วเราก็พูดผู้ทรงไว้ทั้งสองอย่างนั่นแหละหรือว่าอันนี้เป็นเรือนล่างสติปัฏฐานสี่ว่าสัจธรรมพ่รรมไงไกายนี่เป็นเรือนล่างจิตใจเป็นที่รองรับอีกทั้งสี่วินาให้เห็นที่จะไปสนใจอะไรจะเห็นว่าอะไรเป็นดียิ่งกว่าธรรม นี่เลยพิจารณาปฏิบัติแล้วถ้าจะพูทุกเรื่งเทียบเคียงก็ไม่ทราบจะเทียบหรือไม่เทียบมันก็รู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่แล้วท่านอะไรผ่านเข้ามามันก็มีถึงเป็นเรื่องควรใจมีเป็นเรื่องขเขย่าก็ควรวุ่นวายทั้งหมดไม่เห็นเป็นเรื่องสงบอะไรขึ้นมาพอจะให้เพลิดเพินดิ้นรนกวนกระวายกับสิ่นั้นเห็นรับความสงบสุขเย็นใจพอดิ้นรนไปกับสิ่งนั้นผิด ก, กันกับเรื่องความดิ้นรนเพื่ออะไเพื่อทำเพื่อผลขวาย ในอ่านในทำในเข้าใจนี่อันนี้ผิดกันปฏิบทติเพียงขั้นความสงบอันนั้นมันก็จะบายคนหนึ่งามันมีความสงบเลยไม่สบายนะอผ้าเหลืองก็ผ่าเหลืองหัวล้นก็หัวล้ น, ลนเป็น้าคกับขาวเองคนหนึ่งไม่ขดแตกอะไรกับคำว่าจิตใจมันไม่ไม่มีความเยือกเราาปฏิบททัติธรรมเพื่อให้จิตใจมีความวยือกเยินเป็นจุดด้วยการรักษาใจการบังคับใจ ฟังฤฤฤการฝึกทรมาน ใ, ใ, ใจใจมันเป็นงานใจเป็นตัวพยุดเวลานี้ซึ่งอยู่ในภาวะที่จะต้องฝึกฝึกฝนทรมานกันอย่างเป็นไม่เป็นหน่วยเต็มกติกกำลังความสามารถของสิ่ง ต, ต่อสู้กับธรรมปฏิบัตาาิจางไปจางไปจางไปอ่อนกําลังไปทางที่มีกําลังมากขึ้นค่อยๆแห้งไปโดยลําบักจิตใจไม่ส ง, งบเองเพราะปกติของใจมันไม่ดิ้นโดนสิ่งที่พายจิตดิ้นมีต่างหาก ผิดจิงได้ดินนี่นะนี่ยราําเที่ยวเราผิดตรงท่านผู้บริสุทธิ์เมื่อหมดสิ่งกว่าควรแล้วมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรเข้ามาควรเลยการมองเห็นแต่ขันหา่ิ้ดักนี้ยักผิดเท่านั้นมันก็ดิ่นอยู่ของมันตามภาษามันเราจะว่ามันก็ได้ไม่ว่ามันก็ได้ไปเสียชั้นมันสมมติมันก็ได้ไม่สมมติมันก็เป็นของมันอยู่นั่นเมื่อตามอันต่างจริงแล้วมันก็ไม่กระทบกระทวนกันจะผิด ย้อนเข้ามาอยู่ตัวเองก็โดยลำดับไม่ต้องใช้าื่อยาไม่ต้งเหมือนไม่โลกมมไม่มีขังไม่มีทั้งทั้งที่นั่งอยู่ยืนอยู่เดิอนอ ย, อนอยู่มันก็เหมือนไม่มีขังไม่มีโลกพายในร่างกายคือายในขันห้านี่แล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องโลกนอกขึ้นไกลสิ่งนี้เป็นสิ่งธรรมชาติธรรมพันธ์กับใจอยู่แล้วเห็นได้มันเป็งเหมือนไม่มีก็ค่อยจิตไม่ไปคิดไปปรุงว่ามันหน่ะอีกที่บริสุทธิ์เดาเป็น ยังเป็นสิ่งที่ทำหน้าสาสามได้ฝุกผลปรมาณหน้าพระพุทธเจ้าเป็นทรงสั่งสอนได้พูดเป็นสัพพิพยานพระอาวาทคาสอนพระเจ้าตัาวา้ววกรังมีกี่เมืองกี่แสนกี่ล้านมีทั้งผู้ฝึกฝนปรมาณตนเองด้วยความตั้งใจและเป็นไปได้าตามความประสงค์พระโอาวาทคาสอนพระเานั่นแหละผลก็คือปรมาังสุขขงังเป็นที่ยอมรับด้วยความจลิ่นไม่ยอมรับด้วยความเสศสันต จังใจว่าเพื่อปฏิบัติผมอยากให้หมูเพื่อนรู้ได้เห็นความจริงทั้งหลายที่พยายามปบรมสงสอนเข้ามาเกี่ยวข้องกับสังคมนี้ตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วควรู้สึกอีกน้าละอาใจละดวงวันในถาดคานมันอ่อนเพียรกําลังวางชาวไม่เหมือนแต่ก่อนมไปไหนก็ไมาอยากไปอยู่คนเดียวทำไมทำามอยู่มันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันมันค่อยปล่อยออกมาทําให้เราคิดถึงเรื่องครูอาจารย์ที่มีอายุมากมากเจ็ดแปดสี่พันกวงาหั ยอยางเราคนนี้มันรู้สึกมันหดเข้ามาหดเข้ า, ขามาความทงสารความสงสารแต่เครื่องมือที่อยสนองความสงสารมการมันอ่อนลงไปทุกวันนี่เป็นเหตุให้พิจารณาทักครูอาจารย์ทั้งายองเรามีอายุาเพียงตรงนี้ก็เป็นแล้วอยู่สบายสบายไปแล้วโลกอย่างมันเป็นอยู่นี้ก็มาเป็นสิโลกหัวใจโลกหลังเนี่โลกของดีดผลกับจากหัวข้อเ น, นมันเท่านั้นแหละ มันแน่ใจเลยนะมันไม่มีอะไรจะมากวนเป็นก็เป็นสิ้ะจะทําเลื่อนจะจะทํำตาก็ตายเลื่อนจะจะทําต่เมื่อใจไม่ไปกังวลวุ่นวายกับมันแล้วใจก็จะรับความสะดวกสบายในการปฏิบัติที่หาการทําเป็นเครื่องอยู่สบายจะจนถ้าขาดก็พักผ่อนาสบายๆแล้วมันจะเป็นก็เป็นมันจะตากก็ตายที่ปฏิบัติรักษาเปนอยู่ตั้งแต่วันเกิดจนมันทำถึงบัดนี้แล้วยังไม่ยอมฟังเสียงกันก็ไปละสินั่นก็เท่านั้น เมื่อมันมีความกังวลวุ่นวายอะไรจะสบายยิ่งกว่านั้นเกี่ยวข้ อ, อ, ของดูคนยากดวท่าเนนไม่กตกตกระรอะไรก็ต้องรมันมีคนของมีเรื่องมาให้เกี่ยวข้องนั่นแหละหนังสือไม้ยุ่งอย่างนั้นอย่างนี้นีนนน่จะเรื่องตรงมั้อยู่ทั้งวันทั้งคืนธาตุขันที่เป็นเครื่องมือก็ต้องใช้กันอยู่เรื่อยๆไม่สะดวกสบายก็ต้องฝืนกัน ในเวลาที่ควรฝืนโลกแบบนี้มันก็เกิดมันเกิดเพราะงเกี่ยวข้องนั่นแหละเรารู้อยู่มีอะไรนะจะเป็นจะเป็นจะตายจะยโลกก็คือโลกทั่วไปนั่นเองมันทนไม่ไหวมันก็ตายขางนแตกของขอให้เรียนมันจบมันเถอะขอให้ตรงตกมันสมายมันพยายามตรงทั้งจิตเรศ ตปรง่งกิเลสก็โปรง่งธาตุของขันอันเดียวกันนั่นแหละวิกิเลสเป็นผู้หมายถัตุนืด เ, เหนียวธาตุขันอุปทานผิดมันถึงมันในธาตุของขันพยายามแก้ด้ความเพียรอย่าลดละฉันขันเสร็จแล้วทําะารล้างบาตล้างอะไรเรียบร้อยแล้วอยากซุมสี่ซุมห้าอยากหมดสมกัน มีตุล า, ลาอะไรให้ไปหน้าที่ของตัวเองนั่นคือนักปฏิบัตคิคุยเรื่องนั่นคุยเรื่องนี้อย่าเวลาเวลาหน้าที่การงานทุคกคนจะปฏิบัติไปวันนั้นเล็กแล้น้อยก็ไปทุกวันทุกวันไม่ได้เรื่องอันนี้อยากให้เห็นมีไม่เคยปฏิบัตมิมาเห็นจะออกปฏิบัติแม้แต่เรียนหนังสือก็ไม่เคยกังวลวุ่นวายกับใครยู่แล้วยิ่งออกปฏิบัติด้วยแล้วไม่มีเลย นคุยภครนอกจากคุยเพื่พอผลก็เโยชจริงเอาไม่ถอยฟาน ก, ก, กี่ชั่วโมงก็เอาเพราะมันเป็นผลเป็นประโยชน์เช่สนสนทนาทางมา ก, กันในทางภาคปฏิบัติผู้นั้นปฏิบัติอย่างนั้นนั้นมีความรู้ความเห็นอย่างนั้นๆันี่คนนั้นปฏิบัติอย่างนั้นมีความรูคม้ ค, นน ค, วรความเห็นอย่างนั้นมีความรู้ความเห็นมันเป็นผลเกเิดแปลกๆต่างๆอันนามันเป็นคติเครื่อพยุงจิตใจกันไม่น้อยถ้าอย่างนั้นเพลินฟังเท่าไหร่ก็เพลินนี่ละภาคปฏิบัติ ก็คืองานอันหนึ่งของเราทำไมงานเรามีด้วยกา ร, รพูดปฏิบัติผล ท, ทำไมจะไม่มีได้เหร อ, อเหตุกับผลเป็นของคู่เคียงกันมาแต่นั้นแต่ไรทำไมเราทามันทำไมมีผลเมื่อเหตุเป็นไปสมควรจะผลจะคงเกิดขึ้นได้อยู่แล้วความ air, อ่อนแออึดอัดนา น, น, านไม่เป็นทานงตื่นขึ้นมากํางหน้าลัางตาเรยียบร้อยถ้าหาก มีความฟัง่วงเหงามันนั่งไปมันจะเคริ้มๆจะทําให้ง่วงเหงานอนหรืเถื่อตะขี่ต่างๆมลมเดินเนี่อุบายวิธีแก้เจ้าของแต่นั่งมันก็หลับเถื่อผายต่างๆลองหาอุบายวิธีแก้ตัวเองสติเป็นของสําคัญปัญญาเป็นอันดับต่อไปคือพยายาม พนร่างกายเราพิจารณาร่างกายนอกไม่ผิดขอให้พิจารณาเป็นธรรมเพื่ อ, อถอนวิริยะเถิดอจตาวาบาหิทาวาเนี่ยท่าก็บทภายในภายนอกทั้งภายในภายนอกคายเวทยานสี่หาติพินานเหมือนกันพินานาในเวชนานอกเวชนาในห ม, มายถึ ง, งระดับการปฏิบัติของเรา ดำเนินนายหมายถึงกิประเดินนายดำเนินอกหมายถึงกายวาิญญาเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติทางกายการนอกการในจะแยกไปนอกเช่นปัญญาเช่นเรื่องคนอื่นจากอื่นก็ได้แต่มันห่างกายต่างๆเวลาเข้าได้หลักแล้วเข้ามานี่กายในกายนอกมันมีอีกในการปฏิบัติจทำนี้เป็นความขั้นสูง มันรู้เลยชบบาติหลักการในขางนอกก็อยู่กับตัวเราเองเห็นที่แรกกับพิจารณาการร่างกายส่วนใหญ่นี่จนเข้าใจดูดูทีมเห็นจริงแล้วปล่อยกายี้แล้วมันเป็นภาพนิมิตอันหนึ่งขึ้นมาปรุงเรื่องร่างกายนี่ปรุงขึ้นมาพับกําหนดพิจารณาดับทับปรุงขึ้นมาภา พ, าภาพดับพร้อมดับพร้อมมันก็เล่นอยู่กับนิมิตแห่งภาพของตอนนั่นเองมันเป็นก า, นายใหม่ไปธรรมะมี่ขั้นสูงโอ้ปฏิบัต ถ้าเข้าใจถ้าได้ดูได้เห็นนี้แี้วเข้าใจเองเขาพูดไม่เข้าใจพูดเขาทาให้งงเพราะนั้นเราจึงไม่เคยพูดกับมู่เพื่อในเรื่องอย่างนี้แต่ถ้าไม่มีผู้ใดมาปฏิบัติแล้วมาพูดอย่างนั้นให้ฟังเลยเราจะพูดทันทีเพาบางอย่างพูดแล้วเกิดประโยชน์ก็ไม่ใช่จะพูดเลยเพราะมันยังไม่ถึงขั้นที่ควรจะเกิดประโยชน์ก็ต้องรอเอาไว้ขั้นที่ขั้นที่ควรจะเกิดประโยชน์แล้วก็พูดเ ในวันหนึ่งมันจะได้กี่เที่ยวกายเราจะนับโอเที่ยวนะให้นับให้เอาความเข้าใจเที่ยวกับมาฐานอยู่ข้างบนข้างล่างศีรษะลงไปพื้นท้าพื้นท้าคุณมาบนศีรษะรอบตัวนี่นับวถลกคุณออกด้วยหนังมาหลอกที่ทำไมถลกโดยการกําหนดการด้วการพิจาิารนาเร็ออก เป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนหนัองออกเนื้อออกอเอ็นติดต่อยึดเอาไว้ อ, อขันส่วนต่างๆกระดูกชิ้นต่างๆกําหนดเปื่อยพังไปแต่กระจายไปดูได้เมื่อไหร่บางครับจิดเหมือ น, นอย่างออกไปเที่ยวมันไปเที่ยวที่ไหนมันเคยไปมาแล้วตั้งแต่วันเกิดมันมสถานนี้เมื่อไหร่เนื้อหาเขาจะได้เห็นได้ผลอะไรจากมัน คนเรามันควรจะได้กันมากแล้วนี่ผมไม่เห็นได้อะไ ร, ป, ระปล่อยตามอ่อเพลใจพวามนหน้าของจิตถักดันไปหรือฉุดลากไปแล้วก็ไปเวลานี้ม่ต้องการคิดแบบโลกโลกให้คิดแบบธรรมไปไหนเจ้าของตามไปคือสติจิคิดตเรื่องอะไรให้สติตามไปปัญญาวิจาร์ไปเรื่อยๆจนได้ความนล้วมันก็ถอยอมันเองการฝึกจิต ต้องฝึกหลายขั้นหลายภูมิหลา ย, ายวิธีเราจะเอาวิธีหนึ่งวิธีเดียวมาใชา้ไม่ทันเพราะกิเลสมันแหลมคมมากทีเดียวต้องใช้อุาวิธีหลายหน้านหลายทางบางทีจึงสะดุดปึ๊กเลยกม็มันทันกันชติปัญญามันพลิกทันแก้กันขาดไปเลยเราเคยปฏิบัติมาอแล้วนะเราเคยเห็นคุณค่าของชติปัญญา เห็นเคยคุณค่างความเพียรไม่เคยเห็นคุณค่างความขี้เกียจที้ข้างความอ่อนแอเราก็เคยขี้เกียจที้ข้างเกินแมาแล้วแต่ว่ามีใครจะสู้ตอนที่มันไม่เห็นโทษมันก็เห็นคุณค่าของความขี้เกียจนั่นแต่เวลาเราปฏิบัติทำด้วยความมั่นใจด้วยความสนใจทำก็ฝากฏเป็นผู้แข่งขึ้นมาให้เห็นโทษของทีเลียจนได้ ที่มไดเห็นเวิที่เล็กแล้วมันก็ยิ่งเห็นเป็นเรื่อยเืเห็นคุณค่างมันไปเรื่อยเป็นคู่แข่งมันไปเรื่อยชนะกันไปเรื่อยไม่หยุดไม่ถอยจนกระทั่งมันหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่มีคู่แข่งเอโกทำโหมดทาก็ปิดเป็นเดียวกันว่าแล้วก็ไม่แย้งใครไม่เถียงใครชื่นน้าไม่ชื่อน้าไม่สําคัญขอให้เป็นปัจจตังรู้สันทิฏฐิรู้ไปจักกับจิตใจแล้วไม่มีปัญหาเพราะเราม่ต้องการถึงได้มา ส่งเสริมที่อเหยียย่ำทำลายอันเป็นเรื่องของสมมติทั้งหมดอันนั้นไม่ใช่สมมติถึงขั้นปกติแล้วมันก็ปกติโดยหลักธรรมชาติทั้งหมดเองอย่างน้อยก็สบายอ๋อที่นี่ออะไรมาเที่ยวพิหากก็จะเที่ยวอะไรเป็นที่นอนใจอะไรเป็นที่ไว้ใจอะไรเป็นที่อบอุ่นฝักเป็นฝักตาได้มีอะไรน่ะอันนี้มีอะไรไม่ต้องถามรู้อยู่แล้ว มนนาเระอยู่หมดห่วงใหญ่หมดกังวลในปัญหาทั้งเหมืองต่างๆนั่นนหละสันติสุขนัตติสันติปรางสุขถังสันติสุขอันสุดท้ายก็เลยเก็บข้าที่เหลือที่หมดไปจากใใจิตใจนั่นก็สันติเองเท่าที่มันไม่สันติคือไม่สงบเพราะพี่เล่กวรมีมากมีน้อยกวรตามความมีอยู่ของมัน หมดเพราะโดยชื่นชมนี่ไม่มีเลยขวนก็สันติเองนั้นนัตถิสันติปรังสุขขังซุปอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสงบหมาย ถ, ถึงความสงบราบคาบของใจที่ืไปปด้ตราดหมดแล้วนั้นความสงบของสมาธิก็เป็นขั้นเป็นตอนพอให้เาพักผ่อนถอนใจ ความสงของคํามชื่นเชยก็เป็นตัวหคลื่อัญญายฝึกฝ น, นขึ้นมาและอยู่เฉยเฉยแต่พยายามด้วเปล่งขวนขวายการปฏิบัติเป็นของสำคัญยิ่งของงานอื่นใดเราจึงต้องพยายามต้องหยิดการเสมอไม่ให้อะไรมาลบกบกนนื่เพื่อท่าเนเนในปฏิบัติด้วยความสะดกสบายนี่แหลคผมคิดคํามวดข้อเพื่อมคิดอย่างนี้นเพื่อเพื่อคณนะ ทำอยงนั้นมันแหลกเหลวไปหมดเลยแกุตีก็สะม่ทาบว่าจะกี่หลังสานักไม่วาดทั้งท่าไม่หวาดทั้งขีดทางขาวเต็มรหมดนั่นก็เหมือนอย่างที่เราเห็นนั่นแหละคือฮาฮือุ่งไม่ได้เรื่องอะไรกินเรื่องอยู่เองกินเรื่องทะเละเบาแวงเรื่องวุ่นวายกันทั้งวันทั้งคืนมีตั้งแต่คงกินคงยุ่งคงอัดคงทําไม่มี การรับพระก็รับมากไม่ได้ก็เพรเห็นนี่เองฝ่ายผูย้ายขาวไปายผู้หญิงทั้งนั้นกลเหมือนกแต่ระมัดระวังระมาดไม่น้ายุ่งมันเป็นอย่างที่เราคิดไว้ทุกอย่างทุกอย่างแล้วเราจะขืนความคิดได้ยังไงคิดว่าตอนช่องไหนมันก็ถูกช่องนั้นช่องนั้นมันเป็นไปตามนั้นทุกอย่างถ้าถูกเป็นอย่างนี้ก็พอดี คือมาจากยืนถึงมารับ ก, การอบรมเราก็ยินดีอบรมอยู่เสมออย่างนี้จะว่าไนงะก่อนนำหลักที่ท่านอบรมนี้ไปพูดปฏิบัติตัวเองนันก็เหมือนมีทำอยู่กับตัวมีมีครูมีอาจารย์อยู่กับตัวไปยืนที่ไหนไม่ลดละความภักเพียนอุบายวิธีที่ทารอบรมตัางสอนนั่นก็เป็นลูกศิษย์มี่คือไปอยืนไหนก็มี น้ำเปล่าน้ำตาลเนี่ยรวมสมบูรณ์เรื่องอาหารการกินต้องหระมัดระวังเอาใครก็ใครอันนี้มันเป็นจิตนิสัยของแต่ละคนไม่ต้องใช้เรื่องครูอาจารย์ประเทศมีเป็นเคพีองมาบอกอุบาวิธีตามที่โดยดำเนินมาหรืปฏิบัติมาตรงนั้นอันนั้นไม่ขาดกับธรรมผู้ปฏิบัติพิจารณาตัวเองอาหารประเภทไดเหมาะ กับธาตุกับขันท่านด้านจิตใจด้วยอาหารประเภทใดมันเหมาะกับธาตุขันแต่ทำลายจิตใจเป็นพิษภัยต่อจิตใจเราก็กําหนดเอออย่าอาหารสัปลายะที่เป็นมัจติมาก็คือเป็นคุณต่อร่างกายด้วยจิตใจด้วยไม่เป็นโทษต่อร่างกายไม่เป็นโทษต่อจิตใจอาหารบางประเภทมีคุณต่อร่างกายดี เวลาฉันลงไปแล้วมันคือคักขึงแังตึงตังแต่มันเหยียบย่ำทำลายจิตใจให้เหมาะล่าลงไปความเพียนเขยบไม่ขึ้นอันนี้มาจากว่าเป็นอุตตุอ า, อาหารสัพพายะการฉันต้องเลือกต้องเล่นต้องพิจารณาพระเจ้าทรงสอนว่าตรงไหนผิดที่ที่ทไหนอืมเขนาธนสัพพายะที่อยู่ที่ภาคอาศัยเป็นที่สงบเงียบสะดวกสบายในการประกอบความภาคเพียน เหนอาณักสัตปายะหรืออาวะสปายะปุกราศสัปายะก็ค <lerde> ือเพื <ững> <anda> ่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันไปด้วยกันจะไปประกอบความภาคความเปลี่ยนในสถานที่ใดไปด้วยกันก็ตามอยู่ก็อยู่ด้วยกันก็ตามไม่เป็นข้าสึกต่อการด้วยทิฏฐิความรู้ความเห็นให้ขัดแย้งต่อหลักธรรมดอกพุนายตลอดการพุทปฏิบัติไม่ขัดแย้งต่อหลักธรรมดอกพุนายนมีทิฏฐิมีความรู้ความเห็นอย่างเดียวกันการพุทธปฏิบัติตามหลักธรรมดอกพนัยแบบเดียวกัน นี่เลือกว่างเวลวาสัปปายะบุคคลที่สบายเพื่อนฝูงนั่นแหละเป็นที่สบายการคิดยิ่งกว่าบุคคลภายนอกเป็นในหนาที่มวนมาแล้วยุ่งกับใครก็นอกจากเพื่อนฝูงคือเพศธรมณะติด้วยกันเสี่ยอุตสปายะอักา นจนเกินไปหมหนาจมเกินไปหรือไม่ไปึดปากพออยู่พอไปถานที่ประกอบความเพียนทีนี้เราก็จะประกอบเต็มไม่เต็มในวัดนี้ก่อนสะดวกสบายในการประกอบความเพียนเพราะป่ามากดยูโดยลำพังลำพังเราสงวนไหม ข้าหนึ่งก็ให้พอดีกับสถานที่ประกอบความเพียรไ ม, มากเดี๋ยวเฟอเพ็นผ่านเพ็นผ่านเพ็นผ่านไม่มีมันระวังสิ่งภายนอกที่จะมาเรื่อย ๆ, ๆควรใจก็ไม่มีสา ม, มัดถระวังที่จะมารบกวนความภาคเพียรเราก็ได้ ม, มัดระวังสิ่งที่จะมายั่วพิเร ความสัต์สา ร, รยิ่งเด็ดให้การเป็นความสั่งสมยิรงเด็ดขึ้นมาเราก็ระวังหลักฐานที่นี่จึงเป็นหลักฐานที่สอบแสวงหาทําโดยถายดีไม่มีการสอบแสวงหาด้านวัตถุชมเชยทางด้านวัตถุมันเป็นของดีมีราคามีคุณค่าจนกลายเป็นเรืงสอบแสวงหาไปเป็นเงินเป็นทองเป็นวัตถุสิ่งของเครื่องชาช้าชนิดต่างๆรู้ล้าทั้งหมดแต่จิตใจแห้งผ่าอนั้นเป็นไปใช้ไม่ได้ พยายามระมัดระวังการปฏิบัติต่อมูต่ต่อเพื่อนเราก็นําหลักการปฏิบั ต, ติของเราที่เคยดําเนินมาแล้วและครูวาจารย์พันเนินมาเราก็ยึดมาจากครูวาจารย์มาสอนมู่เพื่อนปฏิบัติต่อมู่เพื่อนจําเป็นต้องไปได้สิบ้านคนตายมัด ก, การเวลามันมีการมันยากกันไม่ออกเขาติดตั้งดันมาตั้งแต่วันตั้งแต่เกิดหรืว่าใน มีอย่างนี้มันฝังลึกเราก็อารมไปเสียเราก็รู้ออันไหนที่ควรลดหลั่นถอนพ่อถอดพ่อถอนได้ให้เบาบางล่อยกว่านั้นแล้วก็ทําอันไหนไม่พอจะเป็นไปได้แล้วก็ปล่อยไปเสียตามนั้นเพราะเป็นเพื่อกานช่วเวลาเท่านั้นราถือเป็นดั่งยิ่งไม่ว่าภาคไหนในเมืองไทยแล้วนี่เมื่อคนตายแล้วต้องเกี่ยวกับพระปดถึง่ชงนี่ไป ทำให้เราลึกถึงพระองค์ที่ว่าที่่กาก้าหารเต็มที่ว่าขี่ขาดเต็มถุนเป็นจะตายเป็นภายนาในถ้ำพุทธหารที่อ่าไป น, นั่งหรือตามทางเสือทางอะไรนันนะ่นน่าจะได้นะเพระอง้์ถ้าว่าใใจิตใจเหนอยอ่างคูบาอาจารย์ไว้เป็นหลักเป็นจริงจริงก่อ จะไม่เสียนิ่งสึกไปนั้นถ้าว่าสึกแต่ผมไม่เห็นได้ทราบ ว, วัตถุไว้ก่อนแกเคยเป็นนักเลงจิตใจวิเด็ดมากสมเป็นนักเลงมาปลายปลายว่าอยู่อยู่จริงจังมากที่จะยตอนจะปฏิบัติตัวเองแกก็จริงจังกลัวผีนี่เป็นเบอร์เดินเวลาแกแก้แก้ท่านจะห้างกล้าหารเบอร์หนึ่งเหมือนกันนะทุกเองไม่มี ท, ท, ทุกข์ทั้งเลยเร้่องผีไปอยู่ไหนอยู่ได้หมด เพราะการแก้มันได้ไม่ใช่ต้นหาไม่เจยหาได้ามวาวิธีแก้ด้วยถังมีความรู้แป ล, แปลกๆเหมือนกันพระเวลานั่งทอนนายกลางคืนเขตายในบ้านรู้แล้วอวันพรุ่งนี้นจะมายุ่งเรอีกแล้วนี่คนตายแล้วในบ้านนี่ท่านรู้นะแล้วจริงๆแถ่นั่นก็ไม่มีพระ สถานที่อยู่ทันถ้ำกับป่าท้ามันห่างกันเท่าไรกี่กิโลต้องห้าหกกิโลลงไปเข้ากับไม่กินแับร้งแับตายเมื่มอลาก็ต้องไปนี่แหละเรียกว่ามันแยกกันออกอย่างนี้คนตายหลายๆเป็นรู้แปลกนะพําท่านบอกว่ามันเป็นรู้และแน่ด้วยถ้าสมมติเราเป็นแบบโลกๆก็พนันกันได้เลย บ้า น, นนี้เขาตายแล้วคือ น, นี่เขาจะมานมีมนต์ว่าแล้ ว, ลวมีอะไรบางทีก็มีเทพพวกเทพมานะแต่ก็พูดถึงเรื่องเทพดีเหมือนกันเทวดาที่สาปฏิตกรรมธรรมไม่ใช่นนเป็นบุคคลเทวดารักษาดีวนะ่าคืออันนี้จะไม่เรียนมากนะมันเป็นขึ้น ตามนิสัยแล้วนี่นี่ะจิตมันมีความสงบเข้าไปแล้ว เ, เรื่องนี้นิดต่าง ๆ, ๆที่จะมาปรากฏตามตําแหน่นิสัยหรือไม่ปรากฏนั่นก็เป็นตามตําแหน่นิสัยด้วยกันไม่ต้องเรียนอันนี้เป็นขึ้นมาเองมาเป็นขึ้นมาแล้วนั่นเนี่ยต้องเรียนวิธีการปฏิบัติต่อมันนะ่ต่อสิ่ง น, นั้นให้ถูกต้องไม่นักผิดได้เพราะฉะนี่ไม่ใช่ของดีโดยธรรมี ย, ยู่แหากเราได้รู้วิธีปฏิบัติกันโดยถูกต้องแล้วก็เป็นเครื่องมือได้ดี นี่กนันปฏิบัติรูกับแปลต่างๆงานที่ปฏิบัติอยู่ด้วยกันเราเคยเล่าสื่กันฟังสนุกสนานดีเหมือนกันทเทวเขียนในปฏิปาทาหร อ, อะไรนั้นมีแต่ความจริงตรงนั้นนะเช่นบางองค์นี่เขียนเรื่องราวขององค์ไหนออกมาเล่าหา้ฟังเราไม่ลรลบุตรเท่นั้นแหละเอาเรื่องของท่านองค์นั้น อ, องค์ น, อองนั้นออกมาเลยเป็นความจริงความคิด คุนบางรายก็อยู่มีความรู้ลูกมอนกันมีกระ้านกันไม่ได้อุอง้งหนึงไปอยู่ถ้ำ น, นะเอาอุ้งวีถ้านนะได้สามคืนแผ่นมาได้ อ, าาอุ้งเนี่ยมหาเราอยู่ไม่ได้ชปิงมันผี อ, อะไรก็ไม่รู้เละผีการมาราเมื่อเราที่สะอ้อยเพดานมันหย่อนลงมานี่ต้องขออภัยมันเอานมมัน นี่ใส่นี่เราแล้วมันอกหัวหยอดหยออกมนอีกมาทำทำอะไรมันก็ไม่ยอมรับจะเลยนมตตามไม่รับมันจะรักการยิ่งยืงสามคืนไม่ได้หลับได้นอนเลยมันมาแสดงเ็ได้ะะลงไปแต่ไ ป, ไปหาเลาื่อนอีกก็เล่าเรื่องให้ฟังเอางนั้นอยู่ท่านนี้คมไปดูนะเพราะองค์นั้นก็รู้เหมือนกันมีความรู้ ทางนี้เหมือนกันปรอยู่นั่นก็เหมือนกันได้สองคืนเห็นไปอ้ยจริงจิงมเอ๊ะมันเทวดาอะไรพวกนี้ผีอะไรทมันกำห น, นักกำหนาบังทำไมจะตื่ น, นอ่ะมือมีแต่จะเอาธาตุเดี่ยวเรื่องกิเลสกับเรื่องกามบังการล า, รานทําอะไรไม่ยอมรับเดี๋ยวกับพวกนี้ปกหนามกันแบบบอกบุญไ้่รับนี่ไม่ค้านกันนะ จริงจริ ง, ร ง, รงทแบบเดียวกันเลยบาอย่างองค์นี้เล่ามาฟังก่อนเออไปผมดูหน่เปไ ง, ไปไไป ง, งว้งางเห็นไงรู้กันไปจริงๆโอ้ยอมรับแหน่งั่นแหะถ้ามันเห็นเหมือนกันรู้เหมือนกั น, น, กนค้านกันได้พอเรื่องอ่างนี้ไม่ได้เป็นสัญญาลงผุ้กเก่าทเคยรู้เคยเห็นมาแล้วเคยเป็นมาแล้วเข้าใจแล้วกรจายวิธีพืนเปนสัญญาลงไปหลอกถูกของน็มเพน บอกว่าอย่างงั้นเราไปเป็นสัญญาลงขึ้นมามันก็มีแต่นี่เป็นผู้มีเพื่นเพียงทางนี้อยู่แล้วด้วยกันเข้าใจด้วยกันเคยพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องปีปีศาจอะไรตอนแรกผมฟังจนเคยชินนี่เป็นเป็นที่แน่ใจต่อกันกันแล้วเหมือนอย่ว่ามันมีอะไรอยู่นั่นอ่ะผมถึงได้มานี่เราต้งไปดูสิไปดูโอ้ใช่เนี่ยตาเรามีเราก็มองเห็นโอใช่เนี่ยก็อย่างนั้นตัว่าไงูเรามีก็ได้ยิน ภายนมันก็เป็นเหมือนกันอันนี้เราพูดมวมนั้นสัมผันสแล้วเราก็พูดไปเฉยๆไม่ใช่หลักปฏิบัติไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรสนใจให้สนใจต่อความเปลี่ยนทั้งตนนั้นเป็นสํำคัญมากแห้เอาให้จริงจังอาตาก็บูชาเถอะบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมเป็นการบูชาเลือที่อยู่ธรรมะธรรมะปฏิปันโนภะสิผู้ใดปฏิบัติตทำทุกควรเกี่ยดทำเพราะนั้นขี้ว่าบูชาตถาคตเนี่ย ปฏิบัติก็บูชาได้ตาก็บูชาได้เรให้เห็นความจริงขุดค้นลงไปจงเวลาจะขุดค้นสติปัญญาหนึ่งสิ่งที่มาสัาผัสแล้วนั้นจะเป็นหินรับปัญญาทั้งนั้นนะ่ะซึ่งแต่ก่อนมันเป็นค่าศิกมาครอบามบจิตใจเราให้จนจะเป็นจะตายันตสติปัญญามันดิ่งขมันฟัดจนไปจนรู้ปรจากักเอือ ถ้าจะพูดแบบว่าโลกเลยหัวล้อแแห่่่่่่่่่่่่่่่่่ญ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ล่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ว่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เรื่องโลกโลกนี่เก่่่่่่โลก่่่ ก็ตาจะแบบโลกโลกนี่เราเกิดมา ก, กับโลกเราจะให้เป็นธรรมตายไปด้วยธรรมให้ผิดกับโลกตรงนี้นั่นความคิดเรื่องปัญญาทั้งหละเราต้องใชาอย่างนี้นะท่านปัญญาอธิบายเพื่นอนฟัธิบาติานานแตัเลื่อนจิจกรรมไม่ได้